การเจริญสติเราต้องทำอยู่เสมอๆทำอยู่เนืองททำให้มากทาบ่อยๆทำเป็นอาชีพไปเลยเราต้องมีอาชีพอาชีพการธรรมาหากินอาชีพการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะอาชีพการเจริญสติอันนี้เป็นเหตุเป็นการสร้างเหตุผลของอาชีพที่เราทำนั่นก็คือ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 เนละเละ็กน้อยถ้าที่เราจะทำได้หนึ่งวันสองวันสมวันนานไปหลายหลายวันเข้าดวสติก็เต็มเต็มรอบทำให้ปัญญาเกิดแล้วก็ดับทุกได้ใช้ประโยชน์ได้คล้ายกับว่าเราบ่มผลไม้อะย่างเช่นบ่มกล้วยกล้วยนีย่เวลาเราตัดจากต้นมาใหม่ๆ ม, มันก็ยังเขียวอยู่ ยังทานไม่ได้จะมีรถฝาดแต่พอเราเอามาใส่โองบ่มมาไว้หนึ่งวันสองวันสองคืนสามคืนนี่ก็้ววก็จะเหลืองได้ที่เราก็จะได้รับประทานล้วที่หวานการปฏิบัติธรรมคือการเจริญสตินี่ก็เช่นเดียวกันจะคก็สะสมสติไปเรื่อยๆสร้างตัวรู้เพื่อป้องกันตัวหลง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 แต่ถ้าหากว่าเรามีสติรู้สึกตัวอยู่เสมอเสมอเมื่อมีสติกิเลสก็จะไม่เกิดขึ้นถ้าเกิว่าเป็นการตัด ก, กําลังกิเลสไในตัวทุกครั้งที่เรามีสติเรื่อยๆอย่างนี้แหละทําให้สติเนี่ยมีพลังและกิเลสก็จะอ่อนกําลังลง1วัน2วันสมวันถ้าเราทำอยู่สเสมอๆคิดดูเถอะจนกว่าเราจะตายไปจากโลกนี้กิเลสจะถูกตัดกําลัง ไปมากน้อยแค่ไหนบางทีไม่ถูกตระหลั ก, กอย่างเดียวนะเท่ากับเปงการขัดจัดเขาหมดไปจากจิตใจเราเลยก็ได้วันละเลยก น, น้อยดีกว่าที่เราไม่ได้ทาเลยผู้ปฏิบัติแต่ผู้ที่เจริญสติอยู่นึ่งเนื่องเนี่ยบางครั้งจะสังเกตดูใจเราจะเริ่งว่างเฉยเนิ่งมีนะอาจจะมีขึ้นในบางครั้งในบางเวลาจิตบ่างๆไม่ได้คิดอะไร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 เราสามารถที่จะนําออกมาจเจริญสติได้ตั้งแต่ลืมตามตื่นนอนตอนเช้าจนตั้งหลับตาไปในตอนค่าทั้งวันเราสามารถจเจริญสติได้ในเอเรียบท่างๆเมื่อกายเคลื่อนไหวแล้วก็มีสติรู้ตัวเมื่อใจมันคิดมันนึกเราก็รู้ว่ามันคิดยิ่งรู้ขณะที่จิตกําลังคิดเราก็ยิ่งดีเลยได้ต้นตอของการดับทุกข์เลย เมื่อมาไม่คิดก็ไม่เป็นไรเราก็กมารู้ตัวที่การเคลื่อนไหวของกายในเยียบบทย่อยการทันหน้าที่ของเราแต่ละช่วงแต่ละเวลาเนี่ยเรามีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาเวลาไดก็ได้ที่เราสามารถเตือนปุตติลงไปได้ขอรู้สักหน่อยทานข้าวแต่ละคำเนี่ยทานไปสิบคำ ร, รู้สักสองคำก็ยังดีนะมันคิดแต่ละครั้งเนี่ยอาจจะคิดไปยาวนานปรุงแต่งไปนาน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 เดี๋ยวแมก็ทำนาทีจับหนูไปเองเพราะนั้นในแต่ละวันของเราเนี่ยเราสามารถที่จ ะ, จะลุกจริเสติได้เสมอเสมอทำบ่อยๆทำเ น, นืองๆเดี๋ยวสติมันก็จะเต็มไปเองอย่าไปคิดว่าต้องรอเวลานูน้นเวลานี้เนี่ยมันจะเสียเวลาจะเสียโอกาสไปทําได้เสมอเสมอบ่อยๆเวลาหลับแล้วก็แล้วไปเวลาไม่หลับเราก็ต้องมีสติแต่สิ่งที่ทํายากที่สุดก็คือ ตอนที่เรากำลังคิดขณะที่เรากำลังคิดเนี่ยสติมันเกิดได้ยากมากเรามักจะเผลอตอนที่เราคิดเรื่องราวต่างๆ ต, ตอนนี้จิตละสติได้ยากมากแต่ไม่เป็นไรถ้าเราจะคิดขอให้ตั้งใจคิดคิดด้วยสติบางคนสงสัยว่าการปฏิบัติการจิตะสติเนี่ยมันต้องห้ามความคิดเลยและเราไม่ต้องใช้ความคิดเลยเราไม่จำเป็นต้องห้ามความคิดการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่มีการห้ามอะไร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 ถ้าเราฝึกเจอสติบ่อยๆดูใจดูจิตดูความคิดบ่อยๆเนี่ยเราจะเข้าใจความคิดสองประเภทนี้เราจะรู้เลยว่าความคิดแบบไหนเด็ยมีประโยชน์กับเราความคิดแบบไหนที่ไม่มีประโยชน์กับเราแล้วผลก็คือเราจะง่ายที่จะไม่คิดแล้วก็ยากที่จะคิดปรุงแต่งขึ้นมาปุงแต่งนี่ยากมากแต่การไม่คิดปรุงแต่นีง่ายมากผู้ฝึกสติจะเกิดอย่างนี้บ่อย